พป็นาธรรมิกเจริญในธรรมยังในจีในธรรมในธรรมท่านจริงๆก็มาจะมาดูว่ามีกลุ่มพื้นที่ชีวิตยอยู่วันนี้เปล่ามีอยู่สองคนใช่ไหมก็ยจะกลาบลงไปก็พยายามย้อยู่กับตัวเองในช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายที่ กรวมมากันตั้งแต่หลายวันก่อนจนวันนี้ก็เป็นวันที่จะได้ปฏิบัติเต็มที่ก็เลยจัดตารางสัก8ชั่วโมงเก้าชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองสามทุ่มแลยนะให้มีโอกาสได้สรุปความรู้สึกตัวเน้นๆแล้วก็มีโอกาส ดูกายดูใจกัน่อย่างเต็มที่คนที่มีสติตามสมควรฝึกมาหลายวันจะประเด็นได้ก็ได้โอกาสละส่วนคนที่ยังทำไม่เป็นก็ได้ทำให้เป็นจะได้ติดเนื้อติดตัวกลับบ้านไปจะได้มีเชื้อไปะยายให้ผลพะความรู้สึกตัวไม่ใช่ทีวัดป่าสุกโตอย่างเดียว มันทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ส่วนของพวกเราก็มาทําัดสวดมนกันตามปกตินิสัยคีิจประจำวันมีกลุ่มไม่มีกลุ่มเรากมากันคนเดียวสองคนสี่คนห้าคนสิบคนเราทราัสดสวนมนกันทีนี้วันนี้ผู้นำก็ น, นำสวดไอ้อารยกยมรองแปดหมายถึงทางประเสริฐ ผนทางไปสู่ความดับทุกข์เล่าทางปเสริฐก็ตัดต่อและมาขยายความจากธรรมจักรพาะพุสูตรหรือบาืองแปลก็เริ่มต้นเยสมาธิก็ที่เราปฏิบัติรมกันนี่แหละมันหมายถึงอะไรในขณะที่ปฏิบัติแบบแนวหลวงพุท e x ม e r n ทิฐิก็รู้สึกตัวไงมันเป็นความเห็นเห็นถูกเห็นตรง เห็นชอบมันเป็นความรู้สึกตนทั้งโลกกมเห็นต่างๆมากมายบางทีนึีกว่าเห็นชอบเห็นถูกเห็นโกงจักรเป็นดอกบัวโกงจักรเอามาฝนหัวตัยเองเคยฟังเรื่องนี้ไหมมีหนุ่มคนหนึ่งทำชั่วมาตลอดตกนรกเสร็จแล้วไปในนรกอ่ เห็นกงจักที่อยู่บนหัวคนเป็นดอกบั ว, วมันสวยงามแท้เสร็จแล้วก็ขอขอขอมาบ้างขอมาประดับหัวบ้งางพอมาใส่หัวแนละ้วทไหนได้มันกงจักมันก็ฝนหัวเลื่อยหัวเลือดกระฉูดจะปวดทรมานก็เลยมาเห็นกงจักมันดอกบัว มันรู้สึกตัวอยู่จะเห็นโคงจักรมันดอกบัวได้ยังไงแต่รู้เป็นรู้ถูกนะความรู้สึกที่มเกิดขึ้นกันนะยกมือเดินยงกลมนะก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาเมื่อเกิดสัมพุท ธ, ธะขึ้นมาสัมมาเห็นตัวเองเห็นจิตตื่นเห็นสภาวะที่มันรู้และตื่นจะทํางทำตื่นแล้วรู้กำลังเป็นอิจฉาสัมมาทิฏฐิ ดัมบลีชอบก็ดําหลีเรื่องอะไรล่ะเรื่องการเราไม่เดินบลีอยู่แล้วเราดําหลีเรื่องการสํารวมไม่ดูได้ก็ไม่ดูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังไม่คิดถึงเรื่องการมีคู่ครองมีลูกมีหลานมีบ้านมีทรัพย์อะไรนะั้นมันไม่ได้ดัมบลีเรื่องรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องรู้สึกตัวรู้สึกตัว มันเป็นการลำบีแล้วมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นสภาวะของรูปธรรมมีการแสดงออกสามมาสังกปะจนทั้งไปนู่นแหละท้ายสุดนะความพยายามชอบชหมรืกชอบจนทั้งตั้งมันชอบ เราเห็นได้ว่าเออไทยๆเป็นตัวสติชออ่อหมายถึงการระลึกรู้ถ้เาเป็นความรู้สึกยิรู้กายรู้ใจสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจรู้ในหมวดที่เรียกว่ากายเวรนาจิตและก็ธรรมน่เนี่ยนะหรือมันรู้จิตเจตสิกรูปนิพานจะเป็นภาษาวิชาการ จิตก็คือจิตนะทั้งจิตเดิมแท้ทั้งจิตที่รับใช้ทั้งจิตบริสุทธิ์แล้วก็จิตที่มีผลของบุญของบาปทั้งบิบากกรรมทั้งอนิสงส์แ้มันเกิดที่จิตใจของเราเรามีอาการกระเพื่อมไปทำไมดึงจิตใจของเรามันมีสิ่งที่เป็นอารมณ์ จิตเดิมๆนีมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเวลาจิตมันรับใช้มีอารมณ์มากระทบพวก น, นี้ก็เพิ่มเสียงก็นินทาเราเราก็กระเพิ่มเขานินทาเราเขานินทาเราเขานินทาเราก็ว่าเราก็ว่าเราก็ว่าเราก็ว่าเรา จากเดี๋ยวนี้กลายเป็นหนาทีส0นาที1วันหวันบางทีเป็นเบือเดือนเป็นปียังก็เพิ่มอยู่เลยคิดเมื่อไหร่ก็มีผ้า พ, พูดขึ้นไหมลกลายเป็นเรื่องของเกจตสิกเปรียบเทียบตีคองกับมันกันมง้งตีลงไปมันก็คาา้างเงเจตสิกสภาวะของรูปธรรมก็คือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมรูปรดกลื่นเสียง เวลามากระทบความคิดนี่ก็เป็นรูปนะแต่ประจาระมักเรียนนามรูปนามรูปเป็นรูปเวลาปรากฏขึ้นมามันก็นั่นลนะบอกถึงหน้ากายของจิตเป็นรูปเหมือนกันที่มากระทบกระทบที่ไหลใจแล้วก็วันไหวมันมีพลังของมันนิพานก็คือมันไม่กระเพื่อม มันไม่ทุกข์มันออกได้มันเป็นภาวะที่มันมันไม่ใช่สภาวะที่จะต้องมีสมมุติบัญญัติหรือปรามัดอะไรมากมายทุกอย่างมันถูกปล่อยถูกวางอยู่แล้วมันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรถึงพ่อเจ้าพูดไม่เป็นกับความแก่ความเจ็บความตายทั้งรูปทำนามทำขันท่า จนพ่อได้พูดถึงว่านั่งกินข้าวอยู่ดีๆแก้วแตกไม่รีบลุกมีสติรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่รู้สึกตัวอยู่อยู่ๆมันวาบขึ้นมาขันห้าต่อกันไม่ติดตอนนั้นมาบอกกิจอื่นที่จะทําไม่มีแล้วเรื่องการบำเพ็ญทางจิตจบกันตรงนั้นเลยหยุดการแสวงหาครูบาอาจารย์หยุดการแสวงหา สถานที่ปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติแต่บัดนั้นเป็นนั่นไปก็นึกถึงพ่อนึกถึงแม่พ่อก็ตายไปแล้วแม่ก็ยังอยู่ก็อยากจะให้ได้สิ่งนี้มันเป็นที่สุดของการที่ได้ไดเกิดเป็นมนุษย์ที่สุดของการที่เราได้มีชีวิตยอยู่แล้วก็มันก็ได้เจอกับตัวเองอย่างนี้ท่านอธิบายไปมันทีนมันมีคําพูด มันมีแต่นิ่งท้ามาจริงๆมันนิ่งนะั่นมันไมไมีคําพูดเลยรเยอะเหมือนก็เคยดูหนังบางคนก็พูดอย่างนั้นบางคนกระพูดอย่างนี้เห็นศีลสมาธิปัญญาเอาเอาหนังของอาจารย์ไปก็แล้วกันได้แค่หนังไปบางคนก็หยุดนิ่งอได้หัวใจของอาจารย์ไปเลยเย หัวใจของการปฏิบัติคือการนิ่งไม่วันไหวมันก็อยู่ในปัจจุบันแต่ว่าพอปฏิบัติมันก็อยู่ในตัวปฏิบัติและโดยเฉพาะสัมมาสมาธิท้ายสุดสัมมาสติเกิดก่อนสัมมาสมาธิก็หมายถึงมีสติแล้วแลวอยู่ชฌานสูงที่สุดเมื่อกี้ที่เราสวดกัน ชาญที่สูงที่สุดก็คือที่พักของจิตใจของเราที่มันสูงที่สุดก็คือมีสติแล้วแลอยู่เอามาตกลองสติอีกไม่ได้บอกว่าสงบถึงที่สุดนะนั่งตัวแข็งนะไม่ใช่แต่บอกว่าให้มีสติแล้วแลวอยู่เพราะฉะนั้นการที่มีสติอยู่รู้สึกตัวอยู่้ตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะจนมันรู้รอบกองสังขารนั่นะตัวนั้นนะ มันก็กลายเป็นเรื่องของสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาศีล ส, สมาธิแล้วก็ปัญญามีความรู้สึกตัวมีสติมีศีลสมาธิมีปัญญาพาะเวลาปฏิบัติเราก็ได้เห็นอารมณ์เบื้องต้นเกิดไหวรู้สึกตัวเดินจงกมรู้สึกตัวยกมือ14บ่จังหวะรู้สึกตัว จนทั้งวันนี้มีเพื่อนมาคุยด้วยเขาบอกว่าเดินแล้วรู้สึกก็ไม่ปวดไม่เมื่อยละเดินแล้วก็รู้สึกเออมันคิดก็รู้ทันแล้วก็เฉยเฉยมันเฉยเฉยเรื่อยเื่อมันรู้สึกเป็นธรรมดาธรรมดาเฉยเฉยแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมครับนิยมนะปฏิบัติอยู่เจ็ดวันอยู่หวันวันเนี้แต่ว่า พูดถึงอาการปฏิบัติพูดถึงอารมณ์ปฏิบัตินมันทาให้เห็นว่าเออมันไม่เกี่ยวกับเครื่องแบบนะมันเกี่ยวกับใครรู้สึกตัวก็เป็นของกฎคนนั้นผู้ใดทำความเพียรนมันก็มีการเดินทางอยู่ไงในการปฏิบัติเพียนปฏิบัติมันก็มีการเดินทางในการปฏิบัติในตัวปฏิบัติจิต ใ, ใจของเราได้เดินทางสู่ความพ้นทุกข์มันก็เห็น หลายคนก็บอก อ, อยู่มันกัดมันตอมหลายคนก็บอกเออมันคันไม่กาก็ได้มันตอมไม่ตกก็ไดแบบนี้เมื่อก่อนนั่นแหละไม่มีสติก็ตบลงไปแล้วมันคันก็บ่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอฝึกคาดปฏิบัติไม่เป็นไรมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของสติของปัญญาของความรู้สึกตัวที่มันจากหยาบไปหาละเอียดมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่มันจะทำให้เราเข้าถึงความจริงจริงๆในชีวิตของเราช่วงนี้ก็มีเทศกาลปฏิบัติธรรมตามสายงานเมื่อเช้าก็มีพระอยู่รูปหนึ่งกำลังปฏิบัติอยู่ข้างเนี้ยประมาณกิโลนะ กดงงนะมีพระประมาณสัก30สรูปเรามีญาติโยมสัก50สิคนเป็นชาวบ้านว่างั้นก็มานั่งนึกอยู่เดี๋ยวนี้คนที่มาปฏิบัติทำไมมันน้อยลงน้อยลงเนะก็มันมีสถานที่ปฏิบัติเนยเยอะมากแล้วก็ลักษณะของคนที่ปฏิบัติ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางทีก็ไม่มีค่าน้ํามันบางทีก็ไม่ยอยากออกจากบ้านนะพอออกจากบ้านปั้มเสียตังค์ก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะหรือไม่อีกทีนึงก็คือควรปฏิบัติเก่าๆนะปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจธรรมะบ้างแล้วนะก็เลยเปิดโอกาสให้กับผู้อื่น ลมารวมตัวกันทีทีก็เรื่องการหาอยู่หากินมันก็มีค่าใช้จ่ายมากมายเหมือนกันมีสี่ห้าที่ที่พระท่านไปมาเห็นว่าไปนู่นหลวงพ่อมหาไหลเปลี่ยน9าประโยคที่นั่นก็เขาว่าพูดกันเบาๆไม่ได้เคร่งคัดเค่งเครียดอะไรมากปฏิบัติมากไปวัดโมกอาจารย์ัเนเอานนรยนสอนคนเดียว ไม่มีเพื่อนๆก็สอนคนเดียวส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนต่างประเทศมาว่างกันนะไปของอาจารย์วิมลเกาคงคาที่นั่นก็บอกว่าคนเยอะดีไม่ออกก็เยอะแล้วก็พูดถึง เ, เงินเข้าวัดเยอะปฏิบัติทีงได้สองสามแสนบาทประมาณสองแสนขึ้น ก็คุยเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็อีกที่นึงก็ที่มาปฏิบัติที่นี่กุดงงอันนี้ก็พระเยอะสมัคีกันดีมาง30ลูกคูบาอาจารย์ชาวบ้านห0คนแทบจะหนึ่งตอนหนึ่งครึ่งหรอนะือไพระ30ลูเ อ, อรูปโยมห0มันก็พอสมควรทีเดียว มีการปฏิบัติกันก็พระก็จะได้ประโยชน์สูงสุดครูบาจารย์แม้ออกก็จะได้ประโยชน์สูงสุดถ้ารวมตัวปฏิบัติจริงๆนะแต่เขาบอกที่นี่ปฏิบัติ ด, ดีเข้ามามาเช้าก็บอกโอ้โยม น, นิ่งๆหมดเลยเรียบร้อยสงบเข้ามาในวันละก็บางนั้นเราเคยไปแถวระยองมีเพื่อนอยู่ที่ระยอง เขบอกว่าเขไปพูดเรื่องการฝึกสติไปพูดเรื่องการกปฏิบัติเราก็พูดแบบธรรมดาธรรมาไม่ได้มีความสำรวมอะไรอาการสำรวมอะไรพูดเป็นธรรมชาติของเขาโยมที่เป็นเพื่อนก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นพระต้องมีมานมีฟอรม์มต้องนิ่งได้เฉยได้ไม่ลุกลี้ลุกลนที่ท่านก็บอกว่าท่านเป็นจริตนิสัยแบบนี้ ก็เลยชอบแนวหลวงปู่เทียนเพราะงั้นนะเพราะฉะนั้นวัดป่าสุตโตเราก็มีคนไปคนมามีข้อปฏิบัติเราก็พาปฏิบัติจุดประสงค์เพื่อการฝึกสติเราก็พากันเจริญสตินะอย่างที่เห็นเนกันอยู่เนะี่ยส่วนเราชาววัดเราก็ไปไปมามาทำวัดสวดมน์กันเจ้าเย็นบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างได้ปฏิบัติกันอยู่ส่วนตัวส่วนตัวบ้าง เรสังเกตเวลาอาจารย์ไปสารมาแต่มันมาทำบัตรสวดมนต์กันเยอะเกินคนในวัดพออาจารย์ไปสารไปก็หายเงียบไปีกจริงจิงก็อยากให้มาทําบัตรสวดมนต์กันทุกวันพี่รู้สน้องรู้หนึ่งก็จะได้ชวนกันปฏิบัติพี่รู้สก็หมายถึงพระเป็นพี่ถ้าเป็นทหารกันแนวหน้านะออกรบก่อนนะญนะาติโยมอยู่ในวัดก็เป็นน้องอ่ะ ก็เชื่อว่าต้องกินข้าวกล่นบาทนะถ้ากินข้าวกล่นบาทเนี่ยจะเคารพกันยิ่งใหญ่มากนะพระเนี่ยสมัยก่อนก็เลยมีการเดินบาทกันญาติโยมก็มาปฏิบัติกินข้าวกล่นบาทรกันแต่ตอนหลังมันพลิกไปกินข้าวในครัวโยมทํำให้พระกินนีโยมก็ใหญ่กว่าพระเลยไม่มีบุญคุณกันสักเท่าไหร่เห็นแล้วไม่เกรงใจสักเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้ ก็เลยว่าไม่เป็นไรถ้าใครเข้าถึงความรู้สึกตัวได้คนนั้นได้ประโยชน์สูงสุดเราก็ยังไม่ได้มาหาอยู่หากินกันมาหาความสุขเรามาปฏิบัติโดยเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์โดยใช้เนี่ยละอริยมรรคมิจฉาแที่เราสวดไปสักครู่เพื่อเป็นเครื่องเป็นกรอบเป็นขอบเป็นเขตให้เราได้ไม่เดินลงทิศลงทางกันบางทีมันก็ ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่อย่างที่นี่เจ้าวาดก็อยู่วัดนึงผู้หลงรอเจ้าวาดอยู่วัดนู้นอยู่ปักช่องแล้วก็พระผู้ใหญ่ตอนนี้ก็มาอยู่ไปอยู่ทางนู้นกันต่างประเทศบ้างอะไรบ้า ง, างนีมันก็เลยบางทีเราอยู่กันถ้ามัมีความรู้สึกตัวมันก็ว้าเหว้เคว้งคว้างนะ ก็โชคดีว่าช่วงนี้มีจันสมใจอยู่ใครไปใครมาก็หวักมือเรียกกันเพื่อให้มาทางนี้มาทางนี้เจริญสตนะิบัดวารามนี้ถ้ า, าว่าไม่มีเรื่องการฝึกสตินะพูกับพูด้วไม่อยากช่วยเหลือทำอะไรสักอย่างเลยละ่ะใจนะใจผมเลอทำมาไม่อยากช่วยทำอะไรหยิบจับทำกุฏิทาสาราดูน้ำดูไฟไม่รู้จะทำไปทำไม อยู่อย่างต่ำทำงานอย่างสูงอยู่อย่างสูงทำงานอย่างตา่ำไม่อยากได้เลยอยากได้ตัวที่คนมาแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรภาพเดินทางถูกความพ้นทุกข์เป็นกลุ่มเป็นก้อนสมครค์สมานสามัคมคีอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายอชอบพวกนี้ไม่ต้องมาพูดเรื่องผลประโยชน์อะไรตรงนั้นนะช่วยกันกลมไม้กลมมือปฏิบัติให้ตัวเองพ้นทุกข์ทีนึ่งถึงตรงนี้ แต่เห็นว่าเออลาบากกนะ็จะเข้าไปช่วยเลยแหละนะลําบากเรื่องอะไรละ่ะเรื่องน้าเรื่องไฟเ ร, ง เ, รงเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เห็นพัฒนานมากระดาษนี้แล้วมันก็เป็นสถานที่นะที่เป็นสภายะพอสมควรไม่อดไม่อยากแต่าอิ่มแล้วทําอะไรกันนะนะตัวนั้นสําคัญก็เห็นๆกันมันก็จึงเป็นเรื่องที่ว่า พี่รู้2บอกกันตักเตือนกันน้องรู้หนึ่งบอกกันตักเตือนกันตามที่รู้ตามสมควรแก่การปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมนีความรู้สึกตัวจึงเป็นอารมณ์ปฏิบัติที่ต้องจับให้ให้อยู่แล้วก็รู้ให้ทันในความรู้สึกตัวอย่างหยาบรายละเอียดการเดินจงกรมการยกมือสร้างชบาคามรู้สึกตัวไม่ตามความคิดออกจากความคิด ถ้าคิดรู้ก็อย่าไปเชื่อมันแต่ถ้าสัมผัสรู้นะเออก็ยังชั่วหน่อยเพราะว่าตัวความคิดถ้าถูกรู้ถูกเห็นได้มันจะไม่มีกําลังมีอำนาจเดยเพราะตัวรักคิดนะอยู่ๆเดินอยู่ๆนั่งมันคิดขึ้นมาอยู่ๆจะนอนหาเรื่องมาคิดตัวนีน้วันตั้งวันเราฝึกกรรมาฐานแล้วก็ฝนจนมันหมดกําลังความคิดมันอ่อนอ่อนตัวลงไป เพราะนั้นเอลานะ่ะที่มันเคยฟุ้งซ่านหรือว่ามีตัวความคิดคอยก่อกวนให้เราได้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าไม่ชัดเจนในการนั่งเดินยืนนอนเงีย้ยหลายวันแล้วมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันจนทั้งความคิดนที่เป็นตัวปัญญาจริงจริงเป็นความคิดที่คิดแล้วคิดถูกที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องของการทางานทาการ ตรงนั้นเราก็ไปได้หาม ม, มีคำถามแล้วก็พูดให้เทศมันก็เทศอธิบายไปเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจก็หาเรื่องขยายความไปอีกก็คนนั้นจะเอาความรู้โดยที่ไม่อยากรู้คำถามเนี่ยนะจริงๆแล้วมีคำตอบแต่มันเป็นความรู้ที่มันเหมาะสาหรับคนที่ไม่อยากรู้ก็ให้ได้ แต่สำหรับคนที่อยากรู้แล้วก็รู้ถูกด้วยนะถามด้วยความอยากรู้แล้วก็รู้ถูกส่วนใหญ่คือคนที่เราบ่อกก็รู้สึกตัวแล้วก็ก็ไปรู้สึกตัวใครก็ตามที่บอกให้ไปรู้สึกตัวปฏิบัตินะแล้วเขาก็รู้สึกตัวแล้วก็ปฏิบัตินะคนนั้นนะมันเป็นความรู้ที่ตัวเองถามตัวเองแล้วก็เป็นคําตอบที่ถูกที่สุดเข้าใจไหมนะแต่ส่วนใหญ่ถาม เอาความรู้ที่มันไม่ใช่ความรู้เราก็เลยจัดให้นะั่งคุยนั่งสนทนามันเออเอาเอาไอ้เยียนนะท้ายสุดเอาเหม็นได้อะไรเลยยังฟุ้งอยู่เหมือนเดิมไปหาใครยังถามอยู่เหมือนเดิมพวกนะีก็ไม่เป็นไรหรอกกลายเป็นประสบการณ์ของเขาเดี๋ยวท้ายสุดเขาก็รู้เองเออต้องเก็บอารมณ์ต้องอยู่กับตัวเองคนเดียวต้องรู้สึกตัวแล้วก็ตอบตัวเอง ชัดเจนที่สุดลกลายเป็นเดินทางสู่อาเยี่ยมักมีองแปดเคยสอบวิธีทองนะมังมีองแปดไทยจำทั้งหมดให้จำไม่ได้ก็ถ า, ถามว่าอริยมั้ยมีองแปดมีอะไรบ้างต้องท่องไปถิปะจาตะวะมะติทิจำง่ายที่สุดเลยโยมเวลาถามโอปกิเลสเก้ามีอะไรมัง่ง โกดลูลิตนี่มาอวดปดลามกผิดวิธีจำนะจำตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็ย้ายความมาถ้าเป็นอาการเนี่ยจำแม่นเลยถีสัมมาทิฏฐิปาสัมมาสังกปาจาสส ม, มาวาจารอย่างนี้นะตาสัมมากัมมันตาวะสัมมาชิวะอะไรแ สัมมาสติสัมมาส ม, มาธิโกรธรู้ลิดนิปลดลามกผิดโกรธก็คือความโกรธรูก้กคือลบรู้ไอ้พวกนี้เป็นอุปากิเลสมันขยายตัวไปจากคิดและโกรธคิดและโลภคิดและหลงนละพวกนี้แหละเป็นตัวแม่ของมันนอกนั้นเป็นปริวานของมันแต่กระนั้นไม่ยากหรอกถ้าจะจำด้วยสมองว่ามันไมน่มีประโยชน์แต่ถ้าทำแล้วสัมผัสกอาการนะมันสุดยอด มันอยู่ในมือของเราอยู่ในชีวิตของเราอย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จึงไม่สูญเปล่าใ้สิ่งที่เราสวดกันมีอยู่ในหนังสือแต่ว่ามันอยู่ในความรู้สึกตัวแล้วมันครอบจักรวาลเลยเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่ควรรู้ควรเห็นในเรือแรงของการปฏิบัติของความเพียรเอาละก็ขอให้การทําความเพียรของเราทั้งหลายนั้น แลการที่เราปฏิบัติดีอะไรก็ตามของเราทั้งหลายนั้นในวันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งของทุกโดยทุนากันทุกตานทุกคนเธอ